จริงเนาะก็ถ้าทำทุกวันได้ก็ดีนะพวกเรานะทำได้ทุกวันก็ดีถนะ้าไม่มีคือ็รักจำเป็นอะไรมากมายนะักรือว่าพอมีเวลาว่างเ ก, กิดมนต์ทำบัตจะทำใหจิตใจของเราได้เรียว่าในเรื่องเกี่ยงคุณ พ, พระพุทธเจ้าก็ทำก็ส่งดีไวๆนะหรือว่าบทธรรมะในบทพิเศษต่างๆนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสอนพนระพุทธเจ้าทุกปริภิพานหลายปีแล้วนะ เกือบ 2,600 ปีแต่คำสั่งสอนท่ทานมังอยู่ในบทธรรมะนะแน่นอนนะถ้าใครปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าคำสั่งสอน 2,600 ปีเนี่ยไม่ได้เสือ่อมคลายไปไหนเลยอยู่ในบทธรรมะครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พุญเจท่าตัดไว้แล้วก็สืบทอดต่อๆกันมาจะถามว่ามันจะคิดไหมก็ต้อลองทำดู ถ้เอาตัวเราเนะี่ยเป็นตัวพิสูจน์หรือว่าคํำส อ, อนของพุทธองค์ถูกหรือผิดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะ่ะมันไม่สามารถให้ใครมาการันตีให้กับเราได้หรอกต้องอาศัยการปฏิบัติทดลองดูของเราเองดูซินะผู้เจ้าสอนเรื่องอะไรนะว่าโดยย่อจริงโค้ชองค์ก็สอนเรื่องความทุกเนี่ยแหละทุกอยู่ที่ไหนเห็นไหมทุกอยู่ที่กรอดูกอยู่ที่ตืนหรื อ, อปา หรทุกข์วิู่ทีของเราเองหรือว่าทุกส์อยู่ที่กายของเราเองหลนะักนะก็ตรงที่สอนย้อนกลับมาเลยว่าโรคนี้ทั้งใบนะไมนะ่มีใครมาทำให้เราสุขให้เราสุขได้ต้องจากใจเราเท่ น, นั้นใจเราแหละจะสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์อยู่ที่ใจของเราเท่งนั้นนะอแต่มันเป็นใจของเราจิงหรื <c oughs> อเปล่าก็เป็นเรื่องนึงนะใหม่ตอนนี้ก็ยังยึดถือสําคัญมั่นหมายว่า มันเป็นใจของเรานะมันเป็นใจที่ข้ามภพข้ามชาติมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติรื่นใบใจเกิดหรือเป็นใจที่มันถึงเนื่องมาตั้งแต่ตอนเกิดเป็นเด็กๆจนถึงตอนนี้เราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นใจดวงเดียวใจดวงเดิมที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นรับบ้างเป็นชังบ้างเป็นดีบ้างเป็นไม่ดีบ้างเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเดียวแหละ แต่มันเปลี่ยนแปลงไปะแต่จริงถ้ามีสติมีปัญญามากขึ้นนะก็จะเห็นว่าอที่เราสําคันธมั่นหมายเป็นใจของเราเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่ใจของเรานะเห็นยังไงเห็นเลยว่าไอ้ที่ว่ามันเป็นใจของเรามันไม่เห็นบังคับได้เลยไม่เห็นสั่งการได้เลยไม่เห็นเป็นอย่างที่ใจมันต้องการได้เกียบเลยถ้าต้องการความสุขสมัยนี้หเห็นสุข ถ้ต้องการที่จะพ้นจากทุกข์ทำไมไม่เห็นพ้นจากทุกข์เราจะเห็นแล้วมันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันเหมือนเราว่าเรามีรูปของเรา ม, มีเพื่อนของเรามีแฟนของเราเราเพืยังบังคับเขาไม่ได้ทุกอย่างนะใช่ไหมจิตใจของเราถ้าเชนเดียวกันนะ่มันก็เป็นมันเหมือนอยู่กับเราแต่เราก็ไม่สามารถบังคับมนันไะด้เนกลับมาเห็นกลับมาเรียนระู้มันเป็นแปลก เมื่อเราเห็นว่าจิตมต่างเนี่ยแม้มันบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่กับเขาได้นะ่ะอย่างที่ไม่ยิ้มดนมันกลับพบว่ามันมีความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นมันจะเห็นเลยนะใจที่มันอาจจะรอ้อนใจที่มนอาจจะเรียกว่าโกรธโรคหลงอะไรก็แล้วแต่พอไม่ยิ้มโดนกับมันก็คือแค่รู้ทันจิตใจเรียว่าจิตไม่ยิ้มโดนกับปราการปูนแต่งต่อไปเนาะจิตใจก็จะพบว่า ความสงบมันก็อ <watering>, ยู่ตรงนั้นเองความสุขมันก็อยู่ตรงนั้นเองไม่ก็เงไปเที่ยวแสดงหาที่ไหนคนทั่วไปชอบเที่ยวแสดงหาความสุขนะแสดงหาความสุขแต่โรกโรคก็มีมากมายสารพัดพวกเราทุกคนก็เคยแสดงหาแน่ๆนะแสดงหาความสุขแบบไหนบางทีก็รู้แล้วว่าการแสดงหาภายนอกมันไม่สามารถพบความสุขได้บางทีก็ไปแสดงหา คนที่ช่วยทำให้เรามีความสุขหรือคนที่ช่วยให้เราเพิ่ทุกข์ก็เที่ยวไปแสดงหาํานักนั้นตำนักนี้ครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์นี้หรับสํารายนั้น่างนี้วิธีการบัติแบบนั้นแบบนี้ไปแสดงหาถามว่าดีไหมก็ดีแต่ดีแล้วต้อกลับมาเห็นตัวเองด้วยนะเอาคําสอนของผู้รู้ต่างๆกลับมาศึกษาที่ตัวของเราเองธรรมะนะถ้ารู้เฉยปฟังเฉย อย่างไรก็ต้อ้คนต่อเมือ่อเราต้องเอาเรีวยกว่าเอาคามฝึกมาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตรเนี้ยให้มีปัญญามากขึ้นคือจิตใจตรงนี้นะที่มันเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเปลี่ยนไปเปลีนมาสารพัดต่างๆแต่จริงเป็นจิตใจที่เรียกว่ากิริยาวูปที่มนเกิดขึ้นระดับกันไปซ้อนกันไปต้อนกันมาต่อเ น, นื่องกันไปเรื่อยๆมันจะเห็นเลยว่านะ จิตใจตรงนี้แหละหรือว่าจิตใจหลายๆดวงที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละนะอันเป็นจิตใจที่ว่ามีความวิชาเป็นตัวข้อนํามีความรู้ที่ไม่จริงอภิชาไม่ใช่แต่ว่าความไม่รู้แต่ยันไม่รู้ความจริงนะมันเหมือนนี้นเราก็มีความรู้ใยสัตว์ต่างๆมาแต่บางทีเราก็รู้ผิดรู้พลาดรู้ไม่ครบรู้ไม่ถ้วนคือยังรู้ไม่จริงปัญญานะหรือจิตของเราเองก็เหมือนกันมันยังรู้ไม่จริง ถ้ามันยังรู้ไม่จริงมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ตอนเมืม่อเราฝึกผัดจิตใจจะต้องรู้ความจริงนะจิตใจก็รู้ความจริงมันก็เลยเกิดเป็นความไม่ทุกข์เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีว่าเป็นวิธีที่พิพัฒน์สอนสมาครฝึกจิตใจให้รู้ความจริงและการที่จะทําให้จิตใจมันรู้ความจริงรู้ได้ด้วยวิธีไหนรู้ได้ด้วยวิธีนะปฏิบัติธรรมนี่แหะนะ วิธีปฏิบัติธรรมคือวิธีที่กลับมาศึกษาความจริของชีวิตความจริงของชีวิตอยู่ที่ไหนศึกษาที่กายที่ใจของเราเนี่แหละศึกษาอย่างไรศึกษาลงตรงที่ปัจจุบันเลย่ะปัจจุบันนี้กายเป็นเช่อนไรรู้ทันกายในปัจจุบันกายเป็นแบบไหนรู้ทันนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เดินรู้ว่าเดินเคลื่อนไหวรือว่าเคลื่อนไหวหยุนิ่งรู้ว่าหยุดนิ่ง เดินถ้ามันเขีนว่าไอ้ตรงนั้นอาการกิริยาเป็นแค่ส่ประกอบภายนอกกับนั้นยืนเดินนั่ง น, อ, งนอนกู้เหย็นเคลื่อนไหกินดื่มขับท่ายอันรตา่างอันนั้นเรียกว่าเป็นกิริยาบุแต่พอเราดูกายตร ง, งนีไ้ไปเรื่อยๆมันจะเขียนว่าโการแม้เคลื่อนแม้ไหวแม้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีกฎกาที่ทําให้มันเป็นแบบนั้นมันคืออะไรมันเป็นไปเพื่อความํา บ, บัดทุกของกายนี่เอง ถกากายนั่งอย่างนี้นี่งอินเฉยมันก็ทุกข์สิทธนะมันทุกข์เพราะสังขารที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันปวดทรมา์มันเห็นได้ว่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็มันเรียกว่าแก้ไขทุกข์บำบัดทุกข์ของกายกินข้าวสับท่ายอะไรต่างๆแล้วก็การมันทําหน้าที่ของมันเพื่อบำบัดความทุกข์นะมันเห็นเลยว่ากายเนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีอะไรที่มันสุขเลยนะ กายไม่มีเลยสุขนะนอนอินอยอยขนาดไหนแทาว่ามีความสุขก็ไม่ใช่นะกินอาหารที่ขนาดไหนก็แช่ว่ากายมันมีความสุขมันมีแต่ทุกข์มากหรบทุกข์น้อยเพรานั้นนะทุกข์มากก็ไปหาหมอนะห ร, อหรือว่าจนสุดท้ายก็ตายไปนี่ยมันทุกข์มากของกายทุกข์น้อยก็พอไปวัดรมาว่าได้ไปนั่นมานี่ได้ในชะ่ไหมเราเป็นผู้ที่ยังมีทุกข์น้อยอยู่นะี่ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีแต่พุทธกรมทัานกสอนเลยนะ การที่ยังไม่มีโรคภัยแทบเจ็บรุนแรงนะก็จะได้ประมาณเพราะว่าไม่แน่สักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอโรคภัยแทบเจ็บที่รุแนแรงมากขึ้นตอนนี้ยังไม่ใกล้จะตายหรือไม่ก็ไม่แน่หรอกแต่ก็จะประมาณว่าความตายเป็นสิ่งที่มันอยู่ใครตัวนะตอนนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็จะประมาณว่าเราจะอยู่จนถึงเท่ามันแก่ไปพุท้งรรคตอนให้เราไม่ประมาทเลยนะเพราะการเห็นกายนะมันจะเห็นนะว่า มันมีแต่กายที่ทุกข์มากกับกายที่ทุกน้อยนะมันมีแต่ความแก่มากแก่น้อยมันมีแต่ความตายมากตายน้อยนะของสังขารหน้ากายอน้องนะมันมาเห็นวันนี้ถ้ามันจะเกิดความเบื่อหน่ายกายติดมั่นถือมั่นในกายนี้มันจะเห็นเลยว่าสภาวะของกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะทนทุกข์ทรมานไม่ได้มันเลยต้องเปลี่ยนยีแยบวบ้างนะหรือไม่ต้องเติมสต่างๆเข้ามาแก้ไข ให้ร่างกายมันดำตรงอยู่ได้นะให้มันดำตรงอยู่ได้เท่านั้นนะมันจะเห็นความต่อเนื่นองนะกายเราถ้กจินมันก็เหมือนกับแม่ น, น้ำนะถ้า ด, ดูดีมันจะเหมือนกับแม่ น, น้ําที่มันไหเลเรื่อยๆแม่ น, น้ํามันไหลน้ํนานี่มันผ่านหน้าเราถึงพว้าเรายีนอยู่ตรงดิ่งฝั่งแม่น้ําน้ํานตัวนี้มันก็ไหลไปสู่ที่อื่นไหลไปเรื่อยๆกายเราที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ํำบนไฟ มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนถ้าในทางการแพทย์ทำนิยศาสตร์เขาต็อเขียนไว้ว่าเซลล์ <Okay. S 1> ต, ต่างๆมันก็มีการตายอยู่ทุกวันอยู่ทุกวินาทีมีการสร้างเซลล์ใหม่เข้าแทนอยู่ตลอดเวลานะมันเปลี่ยนไปเหมือนกับแม่น้ําที่มันไหลนะแม่น้ําไหลเราอาจะเห็นได้ชัดแต่กายเรามันาจจะเ ห, เห็นชัดแบบนั้นแต่ถ้าเราแค่ศึกษาความจริงมันจะเห็นอาการทักแบบนั้นเลยเห็นเลยว่า สภาวะเนี่ยมันมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ถัดไปในฟอมสังขารนา่งกายนี้จิตใจก็เช่นเดียวกันมันจะเห็นอาการของจิตที่ที่จริงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็เฉยเฉยบ้างมันมีแต่อาการสามอย่างนี้เท่านั้นเรียวกว่าเป็นการรู้จักเวทนาของจิตนะเวทนารู้จักเวทนาสุขทุกข์หรือว่าเฉยเฉย หรืออาการขอจิตที่มันปกติที่มันผิดปกติจิตที่คิดกับจิตที่ไม่คิดนะมันก็เป็นอาการที่เราสามารถรู้หรือว่าดูมันได้เห็นในว่าอ๋อสภาวะปกติเป็นเช่นไรสภาวะผงแสงหรือว่าลงไปคิดเป็นเช่นเป็นเช่นไรสภาวะตั้งแต่คิดเป็นเช่นไรมันจะเห็นหรือว่าอาการจิตมันเป็นอาการแบบนี้นี่เองพัฒนามลมต่างๆที่เกิดขึ้นนะ ความมุ่งนอนก็ดีความสมใจก็ดีการการเกิดขึ้นก็ดีนะปัญญาบ่าเกิดขึ้นก็ดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็ดีก็มันเห็นลงว่ามันเกิดขึ้นที่จิตแต่มันไม่ใช่จิตนะเขาจะนัดเกิดขึ้นที่จิตใจแต่มันไม่ใช่จิตใจนะมันเปลี่ยนแค่การหลงผิดสําคัญมัดหมายการมาครอบนำรวมจิตนี้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่จิตตัวนี้ไม่เป็นอะไร จิตตัวนี้มันจะพักร้อนของใจอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามุมที่เราเห็นนะสิ่งที่เรารู้มันมันผิดจากความเป็นจริงเท่านั้นมันยังไม่กี่วันนี้เนาะมันมีอะไรเป็นทรุปราคานะภนะาษารู้ภาษาบ้านประมาณนียว่ากบกินเดือนนะอ่าอันะนีนะน้อันนเรยว่าพรจารันโดนบางไฟมันโดนบางไฟ อ่านขาวนี้นั่นคือจริงคนเป็นบูชาราคมากมายนะก็กขาเที่ยวต่างๆนั้นนะแต่จริงถามว่าพระจันดนกินไหมมันมืดไปไหมมันไม่มืดนะพระจันทรมันก็ระบายความมันแบบนั้นอยู่แต่จริงว่ามุมที่เราเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นใช่ไหมมันมีอะไรมาบางําทําให้เราไม่เห็นดวงจันทร์เต็มดวงอย่างที่มันควรจะเป็นใช่ไหม หรือบางทีกรรมวันที่มันสว่างไสตอนนี้พระจันทร์ก็อยากเป็นสว่างสวจิที่โรคหนึ่งดังนั้นพระจันทร์ไม่เคยดับอันนี้คือหมายถึงในระยะนี้นะจันทร์ก็มีความดับอีกตะวันนานะมันก็คงเดิมมันก็จะคงดับเหมือนกับพระอาทิตย์เหมือนกับโรคเหมือนกับระบบเสียจับกวนระบบจักกวานั้นมันก็มีการเกิดการดับเหมือนกันแต่มันยาวนานจนทํานานกว่าชีวิตมนุษย์เราหลายเท่า แต่สิ่งข้อจัดมันระบาดเราไหเช่นนั้นแต่บางทีเราเห็นมันบ้างบางทีเราไม่เห็นมันบ้างในช่วงกลางวันหรือบางทีเราเห็นมันเต็มดวงบางทีเราเห็นมันเป็นเที่ยวหึงทีมันเป็นคืนเดือนมืดเราเห็นแต่ต่างกันไปไม่ใช่ว่มามันแตกต่างกันแต่มันอยู่ที่มุมที่เราเห็นถ้าเราเห็นมุม น, นี้ในเดือนนี้ในเดือนเทนเราก็เห็นข้อจัดเต็มตัว ในเดือนที่เป็นแบบก็เห็นพระจากคิดที่เที่ยวไปจะต้องหมดไปใช่ไหมที่จริงพระจันทร์เป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วแต่เป็นแต่ว่าการเห็นของเราการเห็นไม่ตรงนในสภาพที่มันเป็นจริงเท่านั้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราเห็นอาการของจิตอาการของกายไม่ตรงกับความจริงเท่านั้นแล้วก็เลยเกิดเป็นความมั่นสําคัญหมายว่ามันเป็นเช่นนั้น มันเป็นทุกบ้างเป็นทุกบ้างเป็นอาการอะไรต่ตางๆบ้างเราเห็นผิดเท่านั้นะแต่ต่อเมื่อเรามาผูกจิตใจให้เห็นความจริงมันจะเห็นเลยว่าโ อ, อ้กายนี้มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นะมีแต่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อยจิตนี้มันก็ทุกข์เท่านั้นทุกข์เพอะไรทุกข์เพความขัดแย้งเป็นจิตใจของเราได้แต่อาจจะมีเรื่องเพราะขัดแย้งจากคนอื่น แต่มันก็เลยเกิดเกิดเป็นความขัดแย้งใ น, ในใจิตใจของเราทุกเพราะความวิ่งโดนไม่ชอบอารมณ์ทุกเพราะความวิ่งโดนที่อยากจะยึดอารมณ์นี้ไว้อันนี้เป็นความทุกข์เลยนะเป็นความทุกข์ของมันซึ่งอาการชอบอาการไม่ชอบอาการอยากได้อาการไม่อยากได้นี่มันก็นเกิดจากความอยากในใจนี่แหละนะมันเห็นเลยความทุกข์เกิดสวาระที่มันวิ่งโน มันวิ่นโดนต้องมาทนในอาการเดิมไม่ได้มันที่เห็ น, นว่าเราจะทนให้จิตมันอยู่เฉยไม่ได้มันก็วิ่งบดนไปคิดบ้าง น, นะวิ่นโดนไปทุบวิ่งมาไปทุบบ้างมันจะเห็นว่าทุบเพราะความวิ่นโนพอที่โดนก็เลยทนอยู่ในอาการเดิมไม่ได้นะมันก็เลยต้องเปลี่ยนแต่งไปตามเหตนตามปัจจัยตามการปรุงแต่งบ้างตามการหยุดปรุงแต่งบ้าง มันเกิดการเปลี่ยนแปลของมันเช่นนะั้นตามเห็นตางปัจจัยบังคับไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราบังคับแม้ความคิดจะคิดได้นะบางทีเรารู้ธรรมะเราศึกษาธรรมะมาพอสมควนเราคิดได้แต่จิตมันไม่อยอมเราตรงนั้นสมองก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่จิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะรู้สึกไหมบางทีคิดโฟงตกเหมือนบงทีซ้อนกับเรื่องได้นะเรื่องอะไรต่างๆเวลาเราไปมาศึกษา คิดได้ตอบได้บอกคนเด่นได้แต่พอเด็นเจอจริง อ, อ้อแก้ไม่ได้นะมันเป็นเพราะอะไรบางทีเป็นความรู้ระดับแค่สมองนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความรู้ที่ไม่ียกว่าเลยสมองหรือว่าเป็นความรู้ของจิตใจอแท้จริงเนาะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะเรากลับมาดูเนะี่ยมันจะศึกษาจะท่องเข็นความจริงของชีวิตตัวเองนะนะเป็นความจริงของชีวิ ต, ตวเรา ก็ถ้าตกเห็นความจริงของชีวิตคนอื่นเากระเ็นความจริงของโลกใบนี้ทั้งหมดนั่นแหละนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่สําผัสจับต้องได้เช่นการพิสูจน์ในแนวทางวิทยาศาสตร์หรือว่าในตะ ก, กรบแบบนั้นแต่เป็นความจริงที่สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตใจมันเป็นความจริงที่สําผัสได้ด้วยจิตใจ เราไม่ต้องไปพยายามไปวัดค่าให้เป็นรูปธรรมเลยมากมายนะแค่เอาจิตใจของเราสัมผัสลองดู ด, ดูสัมผัสดูทำแบบไหนเกิดเป็นความทุกข์ทำแบบไหนเกิดเป็นความไม่ทุกข์สัมผัส ด, ดูตรงนั้นตร ง, ตรงตเลยนะเมื่อเราสัมผัสได้ว่าสภาวะทุกข์เป็นเช่นไรสภาวะไม่ทุกข์เป็นเช่นไรจริตใจมันจะจดจําสภาวะตรงนั้นมันจะรู้ว่าเขาภาวะไม่ทุกข์เป็นแบบนี้ มันก็จะสามารถกลับมาหาสภาวะทุกสภาวะที่กิตเป็นปกติได้เป็นบอ่อยมันรู้ว่าสภาวะที่ทุกเป็นเช่านไดเมื่อจิตมันเป็นทุกเหมือนกับเราเอามือไปจับของร้อนนะมันก็จะคลายการจับของร้อนนั้นออกมาถ้ารู้ว่าการวางจิตแบบไหนเป็นความคึก โ, โกรโกรธหลงเป็นเช่านใดจิตมันจะวางของมันเอง เมื่อวางร่างการในความไม่ทุกได้ตลอดไปเนี่ยการฝึกบา๋าเรื่องธรรมะนะมันอาศัยที่การฝึกจิตเนี่แหละนะฝึกจิตใจเป็นบลักแต่จิตใจจะฝึกมันโดยตรงจะเป็นสอนคิตโดยตรงดูจิตโดยตรงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากสําหรับคนส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะบางคนมีจิตหรือว่าเคยฝึกมาแล้วเขาอาจจะทําได้ทันทีหรือว่ามี เียว่ามีสัตว์รงของเก่ามาก่อนแต่ถ้าเราจะเริ่มต้นในการเรื่องว่าฝึกในการให้ก่อนที่จะไปดูอาการขนกิจนะดูความนึกสึกนึกคิดเรากลับมาดูกายก่อนนะมันจะง่ายกว่านะเพราะว่ากายมันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นรูปธรรมที่มันเห็นค่อนข้างชัดเจนแม้เราไม่ได้เอาตาเห็นแต่ใจก็จะเห็นกายที่เคลื่อนที่ไหวที่หยุดที่นิ่ง ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ชัดนะว่าเห็นกายให้ชัดแนะ้วปิตใจเกิดความตั้งมั่นชัดในที่นี้ไม่ได้ว่าต้องเห็นเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวชัดเจนแต่ชัดในที่นี้หมายถึงว่าเรากลับมารู้สึกที่กายเบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆรู้ว่ากําลังทําอะไรไบ่อยๆแม้จะรู้ึว่าชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่การที่เรามีกายเป็นเครื่องอยู่เป็นฐานในการรู้อยู่ก่อนนะ มันจะทําให้เกิดความตั้งต้นของจิตจิตใจจะเป็นสมาธิมากขึ้นจิตใจจะเกิดความสงบจิตใจจะเกิดความสุขเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดขึ้นนะมันจะเป็นเรียกว่าความสนุกความเพลินในการที่จะดูกายรด้วยแล้วต่อไปมันก็จะเห็นอาการของจิตที่มันรัคิดรับคิดหรือความรู้สึกขึ้นเกิดขึ้น เรื่อจริงมันก็มีอยู่แล้วนะมันก็มีอยู่แล้วแต่เราจะเห็นตัวเนี้ยมันที่มันจะเอียดขึ้นเลยนะมันจะเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนว่ามันมันมันแรกแทรกเข้ามาอาการของกายก็เป็นส่วนหนึ่งอาการขอนใจก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่มีสติเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นของสามอย่างที่ไม่ปรับคนกันเลยนะนะมันมีกายเป็นส่วนหนึ่ง มันมีใจที่ไปคิดเรื่องปมแต่งผลจิตที่มีสติอยู่ส่วนหนึ่งแต่จริงตอนแรกมันก็จะแยกที่ออกกายส่วนใจส่วนหนึ่งก่อนพอมันรู้ว่าออกกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจไม่รู้ก็มีมันก็จะเห็นแบบนั้นนะจิตที่มีสติมันจะเห็นอ๋อเ๋ยวใจมันก็รู้เห็นใจมันก็มีมรู้มันก็จะแยกอาการในใจได้เหมือนกัน ทำแค่นี้นะนะแค่แต่แยกอาการของกายและสารของใจก่อนนะให้รู้ว่ารูปธรรมที่เคลื่อนที่ไหที่อยู่ที่นี่ที่เจ็บปวดบ้างนะมันเป็นเรื่องของกายนะใจนี่นะที่เพียงแค่รู้นะรู้แล้วก็บรรเทามันตามสภาวะอาการของมันเท่านั้นนะหรือรู้แล้วไม่บรรเทาถ้ามันพอทนได้ก็ทนไปฝรั่ถ้ามันทนไม่ได้ก็บรรเทาปรับเปลี่ยนให้ตามมันมันก็เห็นรูปมันเป็นแบนั้นเห็นเลยนะ เห็นไป่บบนั้นต่อมาก็จะเห็นอาการของจิตคิดนล่นคิดปุ่มแต่งที่สงบนิ่งไม่คิดเล่นปุ่มแต่งก็มีมันจะเห็นเนาะก็ดูแค่นี้ก็ได้ดูแค่อาการของจิตที่คิดไปอาการของจิตที่ไม่คิดไปนั้นอยู่เฉยเป็นปกตินะหรือว่าจิตที่รู้กับจิตที่หลงก็ว่าได้มันจะเห็นอาการนี้นะกอเห็นอาการนี้จิตมันก็จะคิดว่ากลับมาเป็นปกติได้เร็วจิตที่กลับมาเป็นปกติ มันเกิดจากสองเหตุปัจจัยเตปัจจัยหนึ่งคือการรู้กายที่เคลื่อนไหวโดวยธรรมชาติโดยการไม่ขึงได้จ้องหนึ่งอย่างที่สอคือพอจิตมันรู้ทันอาการจิตที่เผลดไปคิดหรืออาการจิตเป็นเช่นไรเมื่อมันรู้ทันจิตมันจะเป็นปกติธรรมดาของมันเองฉะนั้นเหตุในการมีสติมีสองอย่างก็คือการที่มีสติรู้กายเปิดใจตั้งมั่น ไม่เข้าไปเพ่งนะหรือไม่เผลอไปนะการรู้ใจที่ตั้งมั่นก็เหมือนกันรู้ว่าใจเป็นอย่างไรเมืเ่อปรุงต่อว่ามนะหรือว่าไม่รักชอบหรือไม่ชอบอยากได้หรือไม่อยากได้จิตมันจะเกิดการไม่ยิ่งนวลเมื่อจิตมันไม่ยิ่งนวลมันก็เลยเกิดกับปกระตายเมื่อจิตมันไม่กับกระต่ายมันก็เกิดเป็นความตั้งมั่นนัะนะ่นเป็นประมาณที่เกิดขึ้น สมาธิที่มีสติเกิดขึ้นนะัแหละมันจะเป็นตัวปัญญาปัญญาที่จะทําให้เราเข้าใจว่าสภาวะโดยรวมและของกายของใจเป็นเช่นไร น, นะมันจะเข้าใจโดยรวมว่าการใจมันเป็นเช่นไร น, นะมันก็เกิดสภาวะปัญญาเข้าใจความจริงของรูปและก็นามนี้นะหรือว่าสำคาญคือกายและใจนี้เมื่อเข้าใจความจริงมันก็เกิดการยอมรับความจริง ยำรับกวอมจริงก็คือการปล่อยวางปลดปล่อยความสำคัญผิดในกา ร, รยึดว่าการนี้ใจนี้เป็นของเรามันจะเห็นนะแต่ก่อนมันรู้สึกว่าการนี้ก็ดีใจนี้ก็ดีเป็นของเรามีแต่เราเท่านั้นภนะาษาจา์พุทธทาสบอกของกูนะตัวกูของกูมีแต่กูนะมีแต่เราไะยึดมัน่นต่อหมายในการใจนี้นะทั้งหมดเลยนะ แต่พอเราเห็นถูกต้องมันจะวาตัวภูของภูตัวเราของเราออกไปมันจะเห็นว่ามันเป็นเป็นงแต่ของของธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเพียงแค่อาการของกายอาการของใจอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครบังคับปัญชาได้ไม่มีใครมั่นสําคัญหมายได้นะมันจะเห็นอาการต่างๆเป็นธรรมชาติมันจิตเห็นและอการต่างๆเป็นธรรมชาติ อิจก็ไม่ว่าเข้าสู่ธรรมะของธรรมชาติอิจเมื่อเข้าสู่ธรรมะของธรรมชาติมันก็เลยไม่เกิดความไม่ยนนิ้มโดยไม่กระตั้ะส่าอิจก็เป็นปกติสงบอยู่เช่นนั้นความปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นหนทางเป็นวิธีการในการปฏิบัติแล้วก็ท่านเป็นผลในการปฏิบัติ ด, ด้วยเนาะขอให้พวกเราได้มั่นใจนะักว่าคำส อ, อนของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริง าอบาจารที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็มีเป็นจริงเหลือแต่เราจะเป็นคนจริงในการที่จะพิสูดน์คำส อ, สอนตรงนี้หรือเปล่านะลองดูไม่ใช่มาให้พวกเราเชื่อแต่มาลองพิสูจกันมาลองเรียนรู้กันนะมาเรียนรู้ดูให้รู้จักตัวเองให้มันมากขึ้นเนาะนะในภาค น, นะในภาพเช้ า, น, ชานี้ก็เรียกว่านะ ให้ฟังนะเพื่อนก็เราฟังให้เป็นเลยว่าเป็นส่วนประกอบในการมีปัญญาในการจำบ้างาในการคิดบ้างนะแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติภาวนากันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะไม่ต้องไปเม่ไมุ่งรเคเคียดตัวเองมากเกินไปเข้าใจขนาดไหนก็เท่านั้นไม่ต้องไปคิดพยายามหาคำตอบมากมายเนาะบางทีเราเจะใช้ตักกรกะใช้เหตุให้ผล แบบที่เราเรียนมามาคิดเข้าใจธรรมะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอย่างนะธรรมะที่ลึกซึ้นจริงๆมันคิดตามไม่ได้มันเป็นสภาวะอาการที่ต้องเอาใจไปสัมผัสจริงๆนะมันถึงจะเข้าใจมันเป็นเรื่องที่เด้ว่าเหนือความคิดนะเหนือการปรงแต่เหนือคำพูดนะนะมันเป็นอาการที่เียว่ามันไม่สามารถบอกได้นะเช่นสมมติถ้าเรา ไม่เคยทานผู้เรียนนะนะไม่เคยทานผู้เรียนเราจะไม่รู้หรอกว่าผู้เรียนมันรสชาติเป็นแบบไหนอธิบายจึงคําพูดก็อธิบายไม่ถูกนะ อ, อย่างมีคนขับรถนะเขาต่อว่นเขาไปดูโทรทัศน์มาก็าบอกว่าผู้เรียนเมืองนนท์นะชื่นชื่อที่เกวดเองนะเขาออกบอกทีวีว่า ไปถามสัมภาษ่์สวนแห่งเขาบอกราคาลูกที่แพงที่สุดรั้ว5แสนบาท <c oughs> เราคิดที่ออกแล้วนะค่าแสนบายนี่มันซื้อไปได้กั น, นได้ยังไงเนาะแต่ก็มีคนซื้อคิดว่าอาจจะมีราคาแพงแพงกว่า น, นั้นก็ได้แต่ถ้าเราจะกินในอากาศออกไหมไหมว่ารู้ว่าห้าแสนบาทรสช้ติเป็นแบบไหนก <c oughs> <c oughs> ินอากาศไม่ได้เนาะ <c oughs> อืมต่เมื่อถ้า เราอยากจะรู้จริงเราต้องไปซื้อกินเนาะ <c oughs> ต้องไปซื้อกินดูที่ว่าลูกก็ห้าแสนบาทของการจะกี่ละห้าสิบบาทที่ขายทั้งพร้อมเทาไรแบบไหนนะอะมันไม่ว่ามันไม่จะมาอธิบายได้แอ่เมื่อถ้าเราไปสัมผัสไปทิ้งจริงจริงหือเป็นเช่นไรแต่นั้นเป็นเรื่องภายนอกเนาะคนก็ไปสแสดงหาของอร่อยที่ไหนนะไปสะแสดงหากินนะกินแล้วก็ตี่เหมือนเดิมนะอืม เลือดห้าแสบาทก็ไม่กี่ลูกก็ตายออกเหมือนเดิมเนี่ยเพระแสดงหาสิ่งภายนอกนก็ได้ของวิ้งรดวิ้งชั่วคาบนั้นแหละนะแต่ถ้าเราแสดงหาสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นจิตใจที่แท้ทใใจริงนะมันได้วิงลดผลของธรรมตาจริงๆนะธรรมตาทำตัวนี้นะมันไม่ใช่ว่ามีชีวิตธรรมตาแต่มันจะเข้าถึงภาวะ อมตะในถือว่าสภาวะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงพราะพุทธวิสัยว่าเป็นจิตหนึ่งนะจิตหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ทุกข์นมันสามารถมีได้จริงนะพระวุทจิตที่ไม่ทุกข์จริงๆนะจิตที่ไม่ทุกข์เป็นอย่างไรมันเป็นอมตะแบบนั้นได้แต่ไม่ใช่ออมตะในการยึดมั่นสําคัญหมายว่าะเราเป็นผู้ที่วิเศษหรืออมตะในทางร่างกายแต่มันสามารถ ดำรงชีวิตยอยู่ได้านอย่างที่ไม่ทุกขนะ์อย่างพาระอรหัต่างๆที่ท่านดำรงท้าทายให้พวกเราได้เห็นมีชีวิตยอยู่อย่างไรที่ไม่ทุกข์กับโรคใบนี้ที่มีอารมณต่างๆมีการกระทบต่างๆมากมายนะมาัสามารถสัมผัสได้นะพวกนี้ยเราก็ค่อ ย, ยๆดูดีฝึกษาที่ตัวของเราเองนะแต่เราก็มาฝึกปฏิบัติกันเนาะนะ ในภาพเช้าภาพบ่ายในวันนี้เราก็จะได้ฝึกหัดกันเรื่องกรรมฐานนะเรื่องกจะเดินสตินะการฝึกปฏิบัติธรรมนะในเรื่องกันฝึกสตินะ่ะบางคนอาจจะเคยทาวิธีอื่นทำสมาธินะ่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการมีสติเคยรู้จักไหมเรื่องสตินะ่ะแต่ก่อนนะ้าสมาเคยฟังคำบ้างเคยไปหวัตดคำที่อื่นบ้างครูบาอาจารย์บางทีนึกก็พูดเรื่องสติ เีรื่องสติบ้างนะแต่เราอ่านแล้วก็ผ่านเลยนะไม่ได้สนใจเลยนะมันคิดว่าการรทำคือต้องทำสมาธินะต้องทำสมาธิพูดถึงเรื่องเป็นสมาธิเป็นตักนะแต่จริงตัวที่ไม่ได้จริงคือเรื่องการฝึกสตินะฝึกให้มีสติสติคืออะไรสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวรู้กาย ร, รู้ใจนะคือการรู้กาย ร, รู้ใจนี่คือการมีสติะฝึกให้มีสตินะส เพื่อให้รู้เห็นกายใจตามความเป็นจริงนะในเราจะกลับมาเห็นกายใจตามความเป็นจริงนะในแบบบูัาเบื้องต้นนะก็ให้ศึกษากายใจตามความเป็นจริงในรูปแบบกรรมฐานนะรูปแบบกรรมฐานที่จะแนะนําให้กับพวกเราคือรูปแบบกรรมฐานแบบแนวเคลื่อนไหวเปเรื่อยสตินะสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อปลุกธาตรู้ปลกสติให้เกิดขึ้นนะ ปติวงทีมันขี้เกียจ่ะอ่ามันมีเยนะอะแล้วอะเป็นขี้เกียจอ่าขี้เกียจติดอะไรบางคนติดสมาธิติดความสงบก็ขี้เกียจก็จะติดแช่กับความถุกแช่กับความสงบบางคนหนักไปกว่นั้นไปติดความคิดไปหลงในโรกความคิดก็เลยคิดฟุ้งซ่านไปทั้งวันทั้งคืนไปหลงกับอารมณ์ตา่างๆไ ป, ปติดทั้งนั้นการที่เรามามีสติคือปุกให้มันรู้ตัว ถ้ามันออกจากความคิดถ้ามันออกจากความสงบถ้ามันออกจากความสุขนะแต่มันรู้ว่าตอนนี้คิดตอนนี้สงบตอนนี้สุขมันก็รู้หรือว่าไม่คิดอะไรมันก็รู้ของมันนะี่เป็นวิธีฝึกการเดิน ส, <cit. S 1> สติแนวแน ว, แนวเคลื่อนไหวให้เราคอยปลุกธาตุรู้คือสร้างการเคลื่อนไหวให้จิตใจเกิดการรับรู้การเคลื่อนไหวเมื่อจิตใจรู้การเคลื่อนไหวนะ จิตก็เป็นปกติเมื่อมันไม่เคลื่อนไหวจิตก็รู้ไม่เคลื่อนไหวมันอยู่นิ่งจิตก็รู้อยู่นิ่งจิตก็เป็นปกติเช่นกันเมือ่อมีความคิดแทรกเข้ามาจิตมันก็รู้ทันความคิดที่แทรกเข้ามาจิตก็กลับเป็น ป, ปกตินะเนี่ยก็สามารถทําได้ไนะก็จะให้พระอาจารย์ตุ้มนะให้พระอาจารย์ตุ้มท่านจะแนะนํานะวิธีปฏิบัติกับพวกเรา ทั้งคนเก่าก็ดีคนใหม่จะดีนะถือว่าจิงเรามีเวลาใหม่เท่ากันนะเวลานี้จะเคยพึดงัดไห คำสอนของพระพุทธจ้าก็จะเป็นคำสอนที่ปฏิบัติเนะเป็นคำสอนที่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะเรียกว่ารับผลของการปฏิบัตินะเป็นทุกข์ที่น้อยลงนะเป็นทุกข์ที่น้อยลงตรงนี้นก็จะคำสอนถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราเองเราก็ต้องรับผลกัน น, ะนี้อย่างที่พระอาจารย์โมทบอกนะก็เราเอา กาเอาใจของเราเน้ะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติผ่านการที่เรียกว่าเจริญสติกันตรงเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราพวกเราหัดกันนี้คําว่าหัดในที่นี้เนี่ยก็คือหัดหัดดูนะหัดดูการเคลื่อนไหวหัดดูการเคลื่อนไหวเราจะเอาการเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวกันทั้งวันตรงเนี้ยนะครเป็นเป็นเครื่องมือถ้าหากว่าพวกเราเนี่ย ได้ให้จิตเนี่ยได้จดจาการเคลื่อนไหวเอาไว้เมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนไหวเมื่อนั้นเราก็จะมีสติเข้ามาเป็นตัวที่เข้ามาควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวจะทําให้การกระทำของงานต่างๆจะเป็นการลงมือด้วยการวางใจใจอะไรเงี้ก็ตามเนี่ยตัวเนี้ยเขจะมีสติเขียนคู่กันไปเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะฮะว่าให้พวกเราพวกเราได้ ลองหัดกันเลยหัดกันผ่านเรียกว่าการเคลื่อนไหวของเราที่นี้ว่าการหักก็จะมีรูปแบบนะรูปแบบที่หลกวกพ่เทียนเนาะหลวงพ่เทียนที่ท่านได้คนพบเนะคนพบว่าวิธีการเคลื่อนไหวนี้แหละทาให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาทำให้ทุกท่านหายไปท่านก็จะใช้ภาษาแบบที่เรียกว่าคนที่ใช้ภาษาไม่ค่อยเก่งนะนะักเนาะ ท่านบอกว่าอมืมันเหมือนกับคล้ารว่าเทียบกับความหนักอกหนักใจหรืออะไรที่มันมีอยู่ในตัวเราท่านบอกว่ามันหายไปเป็นห้าสิบกิโลแปดสิบกิโลนะฮนะก็ท้ายที่สุดก็คือเหลือความเ บ, บาๆความสบายๆตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นนี่คือตรงเนี้ยให้พวกเราก็ได้สัมผัสกันเนาะใครที่นะฮะยังไม่เคยได้ทํานะก็เอา้า เขาเรียกว่าหากจะเอามือวางไว้บนเข่าส่วนคนที่เคยทําแล้วนะฮะก็เราปฏิบัติเป็นไเลยใครที่ยังไม่เคยเป็นก็เอามือวางไว้บนเข่าเรารู้สึกกันตั้งแต่แรกเลยเมื่อมือวางไว้บนเขาพุ๊บเนี่ยใช่ไหฮะเรารู้สึกได้นะฮะว่าบืออะไรอยู่ที่เข่ารู้สึกได้ครับรู้สึกได้เลยเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยความรู้สึกเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะ แต่ตรงเนี้ยนะเยี่ยวพวกเราลองสังเกตกันในขณะที่เราอาศัยความเคลื่อนไหวการเคลื่อนกันอยู่เป็นจังหวะจังหวะตรงเนี้ยนะฮะให้เราลองเอาเใจใส่ที่ความเคลื่อนไหวของเรากอดตอนนี้กายเราจะนั่งนิ่งๆนะเราจะเริ่มเคลื่อนไหวด้วยกันพลิกนะฮะมือขวาตะแคงขึ้นนะฮะพลิกมือขวาตะแคงขงึ้นในขณะที่เราลงพลิกความลงนะฮะพลิกความลง ติดตะแคงขึ ie, mm ้นคลิกความลงเราลองสัมผัสความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครัมีไหมครัมีความเคลื่อนไหวไหมมีไหมมีนะฮะมีความเคลื่อนไหวตรงนี้ใจมคือเราจะเอาใจใส่ตอนนี้ใจเนี่ยกําลังก็เรียกว่าสัมผัสกับการเคลื่อนไหวอันนี้อยู่นะเราจะดูได้ว่าเนี่ยตรงนี้ยมีความเคลื่อนไหวนะมีความเคลื่อนไหว นั่นนั่นคือตรงเนี้ยความเคลื่อนไหวตรงนี้ยคือสิ่งที่เราจะรับรู้กันนี้เดี๋ยวพวกเรานะฮะจะมีเขาเรียกว่าลกบบูกตับคลีจังหวะของการเคลื่อนไหวนะฮอหนึ่งก็คนะือหนึ่งนะฮะริกบุญวานแต่แค็ขึ้นนะฮะสองนะฮนะยกขึ้นมานะฮะรับรู้ความเคลื่อนไหวสามมองไปที่ท้องนะฮะ สี่นะซิกมือซ้ายตะแคงขึ้นห้านะดมือซ้ายขึ้นหกนะอามาทับมือขวาดูาากระดานโน้ตก็ได้นะฮะอาจจะดูกระดนโก้ก็ได้นี้เื่อมือขวาขึ้นนะเรื่องมือขวาขึ้ น, นะนยกออกค้างข้างนะฮะงนเขา่าความหลงเดมือซ้ายขึ้น ยกออกข้างวางมือเท้าความหลงเรา adrenaline. รับรู้ความเคลื่อนไหวกันนะรับรู้ความเคลื่อนไหวของการอ่านตรงนี้นะะเดี๋ยวทํากันนะติกมือขวาตะแคงขึ้นยกมนขวาขึ้นเอามาวางไปที่ท้องติกมือซ้ายจะแคงขึ้นนะยกขึ้นเอามาวางไปมือขวามือขวาเลื่นขึ้นนะเยกออกข้าง วางบนขาวความหลงนะเลือนมือซ้ายขึ้นนะยกออกก้างข้างวางบนขามความหลงนะรับรู้การเคลื่อนไหวของการนะฮะลองดูนะฮะรับรู้ถ้าใครยังจำไม่ได้นะก็ทำตามนะฮะาำตามข้างหน้าทำตามพระจันทรนนท์ตรงนี้ที่สาคัญก็คือเราจะเรารับรู้การเคลื่อนไหวดูก่อน แต่ถ้าว่าใครที่เคยทําแล้วนะเราก็ดูการเคลื่อนไหวด้วยดูการหยุดด้วยการหยุดการเคลื่อนการหยุดการเคลื่อนมีการที่นิ่งมีการที่เคลื่อนไหวนะเราดูตรงนี้กันนะให้จิตเนี่ยจับการเคลื่อนไหวตรงนี้ได้ลรากับพิษฐานอ้าปากนะก็เป็นการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะการปืดน้ำลายการขยับปากนะ อะไรต่างๆนานาแบบนี้ที่เป็นสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวอยู่อีกหน่อยเมื่อเขมีความเคลื่อนไหวใจเราจะมารับรู้ตรงนี้เป็นสาระสําคัญนะครับว่านี่เราจะหา ด, ดูการเคลื่อนไหวเมื่อกี้พระเจาโน้นบอกว่าการนี้ใจนี้เนี่ยเราเคยบอกว่าเป็นของเรามาแต่ว่าการรมฐานเนี่ยนะจะทําให้เราเนี่ยจะค่อยๆเห็นความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ย การนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยนะครับว่าการที่เราหักเริ่มต้นจากการดูความเคลื่อนไหวของการตรงนี้ก่อนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆก็เรียกว่าได้คําตอบอย่างที่พระพุท ธ, ธเจ้าอยากบอกเอาไว้ถ้าหากว่าเราได้คําตอบอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราเห็นว่าการนี้ไม่ใช่ของเราเราจะเดือนนาย ในสิ่งที่เราทุกข์อยู่ในสิ่งที่เราหลงอยู่เพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราว่าเป็นทางที่จะพาไปสู่ความสงบเย็นหรือทางที่เราไปสู่พานิพานเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยในขณะที่เรากำลังเคลื่อนนะเคลื่อนไหวอยู่ตรงเนี้ยนี่แหละเป็นสิ่งที่เรากำลังเดินไปสู่ทางของความสงบเย็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะ่าการเคลื่อนไหวของเรา จะพาต่อไปเป็นลําดับเป็นลําดับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ยอยากให้พวกเราเนี่ยได้นะฮะลองนะดับรู้ความเคลื่อนไหวของกายตรงนี้นกั น, นเราเริ่มต้นที่มือขวานะฮะตกมือขวาตะแคงขึ้นนะฮะยกมือขวาขึ้นนะะเอามือขวาเอาไปที่ท้องติกมือซ้ายตะแคงขึ้น นะยกมือซ้ายขึ้นเอามือซ้ายมาทับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นยกออกข้างๆวางบานขามความหลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกออกข้างๆวางบานขามความหลงนะตรงนี้นะฮะลองดูเราอาจจะจําท่าไม่ได้ลองขัดท่าดูก่อนแต่บางหัดท่าแนะอยากสิ่งที่เราควรจะต้องทํำก็คือเราจะเข้าสู่ความรู้สึกตัวทันที อย่าไปกังวลกับท่าอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยนะฮะท่าจำไม่ยากแต่ตรงเนี้ยถ้าหากว่าเรานะลองสังเกตดูการที่เรายังทําท่าไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าท่ายากท่ายุ่งแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาใจเนี่ยไปอยู่กับความคิดไม่ได้เอาใจเนี่ยมาอยู่กับการเคลื่อนไหว เะฉะนั้นนีคือตรงเนี้ยนะฮะลองดลองหักนะฮะเอาใจไปอยู่การเคลื่อนไหวของกายดูก่อนเอาใจไปอยู่การเคลื่อนไหวของกายดูก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าผิดหรือท่าถูกนะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกายจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือตรงเนี้ยเราตรงก็ไปสู่ความรู้สึกตัวกันเลยนะฮะเราตรไปสู่ความรู้สึกตัวกันเลยเมื่อไหร่ที่เราเริ่มพลิกมือนะฮะตรงนั้นก็เริ่มเป็นการเคลื่อนไหว เมื่อไหร่ที่เราเริ่มคลิกมือเมื่อนั้นก็มีการเคลื่อนไหวถ้าเราจะเคลื่อนนะเคลื่อนมือไปที่ตรงไหนตรงไหนมันก็จะมีการเคลื่อนไหวติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนีคือตรงเนี้ยนะครัว่าให้พวกเราได้ทดลองกันอันนี้กาารรมฐานของการเคลื่อนไหวตรงเนี้ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะเอาไปพันหมวกกับชีวิตจริงที่เรามีการยืนเดินนั่งนอนนะะ ในการทําการทํางานแยกๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะให้เราเนี่ยได้หักเหมือนกับความเป็นจริงก็คือในขณะที่เราทํางานเราก็จะลืมตากันด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะเราจะไม่หลับตากันนะวางกายให้คลายนะไม่หลับตาไม่เร่งไม่จ้องนะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยลืมตาเป็นปกติแต่เรา ลืมเอาไว้ให้เห็นนะฮะให้พอเห็นสิ่งต่างๆนะรอบๆ ต, ต, ตัวสติที่ตื่นจะรู้ทั้งการและรู้ทั้งเรื่องรอบตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนวะ่าตาของเราที่เราเคยใช้มองรูบมองนีง่เป็นหลักอยู่ตรงนี้เราลดความสําคัญลงไม่ท้ากัดหลักนะแต่ว่านั้นคือตรงเนี้ยเราจะเอาสติเป็นผู้ดูนะมาดูความรู้สึก ต, ตัวกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับนวะ่า เราจะหักหักการดูด้วยการที่เรานะใช้สติกลับมาดูการเคลื่อนไหวของกายเรานะให้เราดูตรงนี้กันตาก็ลืมไปเป็นปกตินะฮะไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดแล้นะั่นะคือตรงนี้นะฮะเราลองดูความรู้สึกตัวทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะฮนะนี่สิ่งที่เราเองเนะี่ยอาจจะ เขาเรียกว่าความรู้สึกตัวไม่ชัดนะหรือนะฮะไม่รู้บ้างหรืออะไรยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะเป็นเพราะว่าใจนะฮะไปอยู่กับการคิดนึกไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวเมื่อใจที่ไปอยู่ ก, การคิดนึกก็จะไม่มรับรู้การเคลื่อนไหวนั้นความเคลื่อนไหวของเราก็จะเป็นการเคลื่อนไหวติดรีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในขณะที่เรากําลังเคลื่อนนะฮะ กำลังเคลื่อนกำลังหยุดกำลังเคลื่อนกันหยุดตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่านะฮะเรากําลังไปอยู่กับการคิดนึกให้กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวนะฮะที่เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกันอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะถ้ารู้ได้ว่าอืมเผลอไปคิดนะนะกลับมานะฮะอยู่การเคลื่อนไหวใหม่นะฮะ เราไปคิดไม่เป็นารกลับมาอยู่กัการเคลื่อนไหวใหม่ๆตรงนี้เราจะไม่เอาผิดไม่เอาถูกกันนะครับแต่ว่าเราจะเอารู้รู้ว่าหลงไปคิดหรือว่ารู้ว่าสอนนี้รู้รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นนะฮะไม่ว่าจะหลงไปคิดก็ได้รู้แล้วรู้สึกตัวก็รู้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่าไปทุกข์นะฮะกับการที่หลงไปคิด แต่ว่านั่นคือความหลงมีเอาไนี้เราดูกันนะฮะเาดูกันเราเพื่อนไหลดูใครที่ยังไม่ได้ยังไม่เป็นนะก็ดูจากข้างหน้านะดูจากขัยใจโน้นนะฮเราเริ่มต้นกันที่มือขวาก่อนนะแล้วก็ค่อยตามไปเราเริ่มต้นจากเขานะแล้วก็ กลับมาจบลงที่เข่าหาอีกครั้งหนึงนะเพราะฉะนั้นะตรงเนี้ยนะก็มีมือซ้ายมีมือขวามีการขึ้นมีการลงนะฮะจริงจรก็มีไม่กี่ท่าแต่ว่าตรงเนี้ยก็เป็นการเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับนั่นคือตรงเนี้ยนะให้พวกเราลองวางใจใคลายไม่ต้องกลัวผิดนะฮะวางใจใคลายวางใจกลางกลาง ไม่เองไม่จบับนะลองดูนะลองดูสบายๆทำสบายๆความรู้สึกตัวรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวจะไม่รู้เพราะนั้นนะี่คือถ้าเกิดว่าเรากลัวจะไม่รู้เนี่ยบางทีท่าทางมันก็จะเกรงไปจิตใจเราเกรงไปนะเอรานั้นกลัวไปเพราะฉะนั้นไม่ถือตรงเนี้ยถ้าการเกรงไปใจกลัวไปกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ เพราะฉะนั้นตรงนี้นานให้พวกเราเนี่ได้ลองดูนะวางาใจยจกลางวางใจ ก, กลางลองหาจังหวะที่การวางมือวางไม้การเคลื่อนตัวของเราเป็นจังหวะที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ฝืนนะฮะไม่ฝืนสบายสบายไม่ฝืนะลองดูนะฮะลองดูกัน แล้วก็อย่าลืมนะครับของเราพยายามที่จะทำให้เป็นชีวิตจริงไม่หลับตานะะลืมตาเป็นปกนตินะแต่วาตรงนี้เราไม่เอาสายตาไปดูอะไรอย่างอื่นเพราะว่าใจมัน จ, มจะเป็นนฮะก็เรียกว่าตาสายตาที่เราไปสุดอยู่นี้ว่าเราดูนะฮะเราเห็นพอสคมควรแต่ว่าหักเป็นผู้ดูดูการเคลื่อนไหวของกามนะฮะทีนี้ เราทำาร้อมๆกันนะฮะทำบนร้อมกันสักค okay, so รู่สัเคตนะเพื่อนเลื่อนไหวสบายไหมอะไรผ่อนคลายหรือเปล่าจิตใจที่รู้รู้แบบสบายหรือเปล่าหรือว่ามันตั้งใจเนไปะความเปลี่ยนนะมันสังเกตดูภายนอกหรือเปล ควาป็นต hey. ั before, sure ้งใจเกินไปนะทำสบายขึ้นนะรู้แบบไม่ต้องไปกาหนดตั้งใจเพว่ามันจะไม่ให้หลงเลยไมนใช่นะรู้รู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นไรนะจะไปตั้งใจว่าจะไม่ให้หลงเลยมันจะกลายเป็นทิ้ง พอความคิดเกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่ตามความคิดไปอยู่กับความคิดนะรู้ทันื่อมันคิดแล้วกลับมารู้สึกการเคลื่อนไหวหไหม่ ไม่ใช่ว่าเราต้องยกมือสิบสีงหป็นว่าเราไปนะมาทีสังกเกตยิ่งทํายิ่งเครียดยิ่งทํายิ่งเคร่งเปลี่ยนแบบนี้ได้นะนเปลี่ยนรู้ไเลื่อยแต่ยังโกเมียอยู่นะักบางทีมันผิดท่าด้วยลูกหลายมาต่อไม่ต้องซีเรียสนะั่นไม่ต้องเครียดแค่พลิกมือนายพลิกมือคล้องยืดติดแค่นี้ก็ได้ละนะนะรู้ก็สนพิกรู้มัน สัมผัสเนี่ยง่ายนะแค่นี้ก็ได้บางทีเราตีเลี่ยดเรื่องท่านะหรือว่ากลัวมันจะลงอันนี้จริงถ้าทำสบายนะสังเกตไหมพอใจสบายมันจะไม่หลงเพราะมันรู้สึกสนุกที่จะรู้มันมันจะไม่ค่ยหลงมันจะหลที่จะรู้นะทำแค่นี้ก็ได้กทำแวงพลิ้วพอมันเริ่มเริ่มดีแหลับนอนในรูปแบบว่างนะรแบบแต่ พยายามหาหาไม่ว่าหาอเดียบทที่เคลื่อนใบบ่อย ๆ, อยๆนะถ้ามีดูการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น<ม>ก็ดูการเคลื่อนใบที่มีในธรรมชาติเช่นหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตาพยักหน้าคือน้ําลายการสัมผัสของกายหนาวร้อนลมแรงนะสัมผัสแล้วก็รู้สึกนะ แตล้วเราก็ดูร่างกายที่เคลื่อนไหวที่ตั้งใจทำแตร่ากายที่เคลื่อนไหวโดยธรรมาชาติมันก็รู้อนนนะกกกอนนะกมาได้เนาะโยมเราก็เปลี่นเรียบร้อยบ้างนะเรื่องขึ้นยืนเนาะขึ้นยืนเอากระเป๋าอะไรมีชั้นนาะเอาต็บไว้บนชั้นก็ได้บนชั้นไปอี้หรือเราไปขอก อ, อ, อ้ก็ได้นะ ลอทุบในการเคลื่อนไหวในการีกินยากก่อนนะขเปลี่ยนคืนเลยนะลองเดินย่ำท้ายอยู่กับที่เหมือนจนะึ้นเลยนะเดินย่ําท้ารู้สึกไหเนนะี่ยมือแบบไหนไม่เกรงต้องเังเกตนะบางคนถ้าจับไว้ประสานไว้บางคนประสานไว้ถึงหน้าเท้ามอาจะเกรงประสานไว้แบบไหนไม่เกรงนะลองดูประสานไวด้านหน้าประสานไว้ข้างหลังแล้วก็เดินอยู่กับที่ ปออกก็ได้นะแต่บางขณะคาง ท, ทีทำระสาไม่มากๆมันเกร็งมันเครียดปอดก็ได้นะเดินธรรมชาติธรรมดาก็ได้นะไม่ใช่ว่าจต้องจับตลอดเวลาเดินแบบไหนธรรมชาติเราคังเกตเองนะแทะใส่ไหม ทีแบบฝึกตินะเราไม่ได้กําหนดให้อรปบาตรหรืออาการมันช้าลงแต่เราจะฝึกปฏิให้มันเร็วขึ้นนะเราไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงนะให้มันช้าเพราะว่าถ้าถ้าเราทำได้เรารู้ได้แต่ตอนที่มันช้ามันก็ทำได้แต่ในห้องนี้หรือในรูปแบบเท่านั้น เพราะชีวิตจริงมันไม่สามารถช้าตรงนี้ได้หรอกนะแต่แน่นอนถ้าเราอย่างนี้แหะช้าลมนิดนึงแต่ไม่ต้องช้ามากนะให้พอประมาณพอประมาณไม่ต้องรีบมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกตอนไหนนะสัมผัสพื้นรู้สึกไหมโย ม, มาใหม่เนาะสัมผัสพื้น เท้าต้ายก็ดีเท้าฝาก็ดีไม่ต้องไปพูดในใจนะไม่ต้องไปกำหนดว่าหนอว่าอะไรแค่รู้สึกสัมผัสแล้วก็รู้สึกตอนยกขึ้นนะสัมผัสรู้สึกยกขึ้นรู้สึกสัมผัสรู้สึกยกขึ้นรู้สึกกลับจนไปสบบมานี้นนะมันแค่รู้แบบนี้นะมันก็ถี่มากแล้วนะถี่จนท่านความคิดแทบเข้ามาแทบไม่ได้ แต่บางทีก็ความคิดก็เกต น, นะแท้ก็มานะแต่เราก็ไม่ไปกลัวมันะตวางไวนะ้ตรงนั้นดูทีนะฮะดับไว้ลุกยกขึ้นรู้สึกนะกระทบงลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกกระทบงลงนะรู้สึกตรนั้ น, นนะรู้ไกายชส้นไหนตรนั้นแต่ไม่ใช่ตีตัดเห็นแต่เท้านะ ไม่ให้ตัดสิ่งแต่าให้รู้สึกกายทุ้งกายกำลังเดินอยู่กับที่นะรู้สึกกายทุ้งกายเดินมีการโยกมีการสัมผัสอะไรที่มันเด่นมันรู้ได้ชัดกันนั้นก็รู้เกิดนั้นนะแต่อย่าไปตัดเหลือแค่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่มันรู้ชัดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันตางกันนะมันรู้ชัดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เหลือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะ เดินสบายๆเดี the, the, the, the ๋ยวพัดจย์ตุ้มนิดนึงนะครับเดินเรื่โยมมาใหม่ตดูต้งใหม่เดินเดินจมกรมในแบบปกติก็เดินธรรมดาอยู่ดี้นาะไม่ต้องไปยกย่างอะไรก้าวธรรมดาปกติขับตัวก็อยู่นิดนึงแล้วก็เดินไ่ กับซ้ายทีบ้าขวาทีนะกับหันหน้าไปได้เดียวกันนะับซ้ายทีกว่าทีเดินส้นๆไปได้ไม่เบียงหัวแต่ให้เดยายาินยาวไม่สป็นอันจะกับแบบไหนก็นได้ธรนะรมดาเลยนะแค่รู้ตอนเร็วเนี่ยมันก็ขี่มากเลยนะเดินสัมผัสยกขึ้นสัมผัสยกขึ้นจิตใจแทะต่อามา อเงียบเงียบกายอยู่มันแทรกกันมามันถี่มากไม่ต้องขัวแะรู้ไม่ชัดรู้ไม่มากสัมผัสตรงตรงมันชัดแล้วสัมผัสบ่อยรู้บ่อยมันมากแล้วนะรู้ทันความคิดที่มันแทรกไปเนียมันมากแล้วนะแต่เราจะเชิญนักเดินมาด้านหน้าแล้วก็กลับไปนะสบายสบาย ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดเนาะถ้ามันคิดไ ป, ดไปไแล้วบางความคิดมาอยูนะ่กับความรู้สึกการเคลื่อนไหวการสัมผัสตั้งใจแบบนี้กันนะไม่ห้ามความคิดนะมันจะแรกคิดเข้ามาแต่ไม่ตามความคิดไป รู้สึกสบายสๆนับสัมผัสอย่างเดียวเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนเดินเล่นๆเดินเล่ น, ล น, ลนแค่สัมผัดรู้สึกยกไปรู้สึกใช่ไหมนะ เรียนไยดังก็จะได้นะด้านนี้ก็เรียนไปดังก็ไปเรียนมาาหน้าเรียนไปเป็นมาอต่างเลยนะไม่ใช่แถวแถวเดียวแล้วอันหน้าด้านเหนือสัตจะดีนะ เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านบางทีมันคุ้งมันอ้อยมันผ้าพ อ, อเปลี่ยนใหม่บ้างก็ทัดขึ้นตั้งใจมากขึ้น ถนนก็สงบได้แม้มันจะวุ่นวาย รู้ทันรู้ทันอาการของตัวเองแล้วต้องปรับเปลี่ยนเองเด็กหนังเรียนยอมไม่ต้องรบกวนนะพยายามทำเรี่ยงบทเป่นอย่างเดียวก่อ เรามียาบทที่ตั้งใจทํำเด็นหนึ่งยางแต่บางทีมันก็มียาบทที่มันเป็นธรรมชาติของมันมาแย์เข้ามาแต่ถ้าไปรู้แบบนั้นแทงไม่เป็นไรเช่นรู้ลมหายใจสะับใปว่างกับการเดินแบบนี้ไม่เป็นไรนรู้ลมลมาสัมผัสลมแทงสัมผัสเป็นธรรมชาติลมทีตะโกนในแบบนีน้ไม่เป็นไร แต่ให้มีตัวหลักตัวหนึ่งแล้วก็ให้ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเสริมอ่ะเรื่องของกายจะดีโดยไม่ได้ตั้งใจนะมันรู้บ้างมันรู้บ้างไม่เป็นไรหรือใจมันเผลอไปคิดไปน่ะมันพรานี้มันแทรกไม่ได้ตั้งใจจะไปรู้ความคิดไม่ตัไงจจะไปเขียนอาการของใจแต่มันไปเห็นของมันเองนะสติมันเกิดขึ้นเลยอัตโนมัติเลยนะ เราสร้างฐานหลักอย่างหนึ่งเห็นฐานหลักแต่จริงสร้างไว้อย่างหนึ่งถ้ามันมีรู้ตัวแบบสบายแล้วก็ดีมันก็ถูกนะแต่บางทีมันก็รู้แบบเป็นตัวล่อเหมือนกับเหยื่อตกนะตกปลานะใส่เป็ด น, นะมีนอนมีมแมลงไปล่อปากว่าเราปกปิดเคลื่อนไหไม่ให้มันอยู่นิ่งๆ ควาคิดมันก็ทนไม่ได้นะมันทนไม่ไดีให้เรารู้แต่กายอย่างเดียวไม่ให้มันคิดควคิดก็จะแทกเข้ามามันทนไม่ได้นะเหมือนกับปลาึี่เห็นเดือไม่ได้นะมันก็จะมันก็จะคอยขอแทกขอเรียกว่ามังมุกเหยื่อทันทีเราก็รู้ทันดอกสร้างการขึ้นให่ของใาย เพื่อเป็นเยือในการลออในการรู้ใจกันนะคนที่หยุดแถวหลังก็หยุดไ้ก่อนนะเนี่ยหยุดยืนก่อนอย่ารอเงินนะยุดใกล้ๆกันนะหยุดใกล้ๆกันออกมาทำอะไรนิดนึงนะยังไม่บอกเพื่ออะไรนะลองแถวเราเนาะเดี๋ยววันนี้ แถวหลังสุดนะแถวหลังสุดแบบนี้นะแต่เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าส่วนใหดก็ได้นะเดี๋ยวจะทิ้งนะคนที่อยู่คนที่ต่อแถวหลังก็ลองดูนะอยาให้เพื่อนข้างหลังนะสับผัสเราส่วนใดก็ได้นะสัส่วนสองครั้งนะส่วนในก็ได้นะสองครั้งสัมผัสครั้งแรกดูสิสัมผัสเพื่อน รอบั้งที่สองมาิเป็นไงมคนที่สองนะรอบคนที่สามวะดูสัมัสกันนะคนที่สองสั์ผัสคนที่สามวะคนที่สามสัมคนที่สี่ยังไม่ใช่เดีวเดี๋ยวเอาใหม่นะคือดูนะเดี๋ยวเออเอาเรื่กใหม่ก็ได้นะ คนที่สองเรามาเกณฑ์ดูดีให้เพื่อนเรแรกสัมผัส ด, ดูไหมถามคนที่สองก่อนเรารู้สึกอย่างไรตอนที่เพื่อนสัมผัสรู้สึกดีใครมีมีเกรงไหมหรือว่าตั้งใจพยายามที่จะตั้งใจดูว่าเขาจะสัมผัสตรงไหนต้องแบบนั้นไหมดีไหม มีล่ะใครเป็นธรรมชาติไม่ได้คิดอะไรเลยสัมผัสแล้วเขาจะรู้สึกมีไหมมีใช่ไหมมันจะมีสองแบบบางคนไม่ได้คิดอะไรก็แค่สัมผัสแล้วเขรู้สึกแต่บางคนพยายามที่จะตั้งใจกันไปใช่ไหมพ อ, อเข้าสัมผัสก่อนเขาสัมผัสพยายามที่จะไปรู้ก่อนอตั้งใจไว้ะใช่ไหมเป็นมั้นไหม ในค น, ỏ, 3, คน 3, นะที่สองสมาธนที่สามเดี๋ยวคนที่สามลองดูว่าน่าจะเป็นย<ห>ังไงคนที่สองสมาธะที่จะแบไหนฮะตั้งใจก่อนนะใครไม่ใครเป็นธรรมชาติรับรู้ธรรมชาติธรรมดาเลยมีเนาะ อ้ก็มีทั้งสองแบบใช่ไหมอ่ะคนที่สามแถวที่สี่นะบางแถวเป็นไงสบายขึ้นก่อนปุ่มแรกๆไหมเพราะเรารู้หลักมากขึ้นแลน้วเนาะใช่ะไหมถ้าสังเกตดูมันจะมีอาการสองแบบแต่บางทีเราห้ามไม่ได้บางทีมันเป็นเกรงเนาะอืออ่ะกับยาหันบ้าง นี่เอาคือ น, นะแต่นี้นะจะมาบอกว่าให้โยมเลือกที่ที่มึงคิดว่าเพื่อนคาดว่าเราจะไม่สัมขารตำแหน่งที่ไม่ใช่ที่มันคาดเดายากจะให้มันง่ายนะอาจยอมสัมขารกันอาจเป็นไงคนที่โดนสัมขารเป็นไงพอบอกคําสั่งแบบนี้ใจเราเกรงไหม ไม่เก่งนะสญญานะ บ, บายเลยนะแล้วคนที่สัมผัสรู้สึกมันต้องใช้ความคิดมากหรือเปล่า <c oughs> <ๆ>ก็เห็นช่มั้ยเห็นไห ม, หไหมก่อนที่เราจะทำอะไรเราเราต้องคิดใช่ั้ยคิดคนทีเน่เดี๋ยวู่ครึงนะให้คิดก่อนนะก่อนสัมผัสให้คิดในใจก่อนว่าจะสัมผัสตรงไหน เอาตำแหน่งที่ยากเืินคาเราคิดแล้วนะเห็นนะาสั้งใจคิดแล้วอ่ะวันนี้ลองลองผ่าดูเอาล่ะตอาใจก่บคุณไม่ตายอ๋อ ใชไหมถ้าเรารู้ดีเฉลยจะไม่ตกใจนะเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะดึงหัวหมูแต่เขาไปจับหัวูเราไม่ตกใจนะเอาคนแถวสุดท้ายลองสัมผัตดูคนที่สามอนคนที่สี่ตรงไหนสัมัสยังอ่ะหันหน้ากลับมานะ สองสามรอบที่เราสัมผัสเคลื่อนบ้างเพื่อนสัมผัสเราบ้างเป็นไงเห็นเห็นใ จ, ใจที่มันมันเรียกว่ามันตั้งท่าไหมตั้งท่าที่จะรู้อืตั้งท่าที่จะรู้แอบสังเกต่างนี้นะเอาสังเกตเมันอยากจะรู้ก่อนมันไม่ต่างเลยนะเราได้ตั้งท่าที่จะรู้ตรงนั้นเราถ้าเราไม่ตั้งท่ามันจะรู้แบบสบายสบาย ใช่ัหมเหมือนเพื่อนมาสัมภาษณ์รติดใช่ไเรารู้ธรรมดานชปติเราปฏิบัเองธรรมดาไหปฏิาติตตธรรมดามเกรงทไมอ่ะแต่พอเพี่นสเราคนีเราเกรงนะเราคนนแต่พอเราัตเองไม่เกรงนะสัมภาษณ์แต่ เราสังเกตเอมไหมบางทียกมือเราก็เกรงเหมือนกันนะดีไหมบางทีตั้งใจจะรู้ก่อนตั้งใจจะรู้ชัดตั้งใจใเรนะีหนังสือเนี่ยลองสังเกตดูนั่งดูอนถ้าเราดูทันอกมันเกรงไปมันตั้งใจทจะรู้ก่อนเนะี่ยแต่ว่าเอาตั้งท่าฝักใจไว้จิตนะก็ปรับใหม่รู้ทันมันก็อ้าวแค่สมแค่สมัมผัสยกขึ้นเส้นไว้เกิดขึ้น รู้ทันมันเฉยแค่นั้นอนะอืะแต่บางคนใจรอยไปไหมมีไหมเราเพื่อนสัมผัสเราเราลืนรู้เพราะเราคิดพอเขาสัมผัสมาค่อยรู้ทันจะนี้มีไหมก่อนที่จะสัมผัสเราคิดไปแต่พอสัมผัสนะค่อยรู้ตัวก็มีนะใช่ไหมเหมือนคนใจรอยเป็นเกียนะร์ไหมใอยคิดไป พอคนมาสัมผัสอ้าวสะดุ้งรู้สึกตัวใช่ไห ม, มเหมือนฝันบางคนนอนหลับฝันมีนนนนนมีมีคนมาปลุกตื่นจากความฝันก็ตัดความคิดไปนะอันนี้การดูกายเนาะให้พวกเราสังเกตบางคนจะตั้งใจตั้งค่าเพ่งจ้องไว้ก่อนอันนี้หนึ่งแต่ถ้ารู้แบบสบายมันจะรู้สึกใจจะแตกต่างกันเลยนะ ใจเป็นปกติธรรมดาสบายๆรูไ้ไปนะอาหาที่นั่งของเรานะหาที่ การรู้กายนะพยายามรู้เป็นธรรมชาติสบายๆนะรู้สบายๆกายนะเคลื่อนรู้หยุดรู้สัมผัสรู้นะธรรมดาธรรมดานะแล้วก็คอยรู้ทันธรรมดาความคิดมันแทรกมาเรารู้ทันความคิดขึ้นมาแทรกรู้ทันไม่ตาความคิดแต่ไม่ห้ามความคิดนะ คิดมาแค่รู้ว่ามันคิดแต่มันต้องไปตามกับความคิดแล้วนกะ็ไปอยุดความคิดด้วยซ้ำอันนี้นะเราทำแบบนี้ทําบ่อยๆนะทํำบ่อยๆมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจจะมีมากขึ้ น, นะ น, น, นะ น, นอนน่นะอแล้วเราก็ฝึกก่อนนะฝึกนาทีก่อนไปพักนะทําให้มันต่อเนื่องนะเชียร์บทไหนก็ได้โยมนั่งสบายๆนะเนี่ย นั่งพข้เทียรนั่งคัศมะจิตก็ดูนะบางทีเราก็เขื่นั่งไม่สบายนะแม้จะเป็นช่วงปั้นก็ก็ไม่เคยดีเท่าไรนะนั่งปุ๊บจัดท่าที่ผ่อนคลายนะใครสนใจว่าทำไมอ่ะ ที่จิงจิตสบายนะพอเด้กระทบมันจะไม่ตกใจนะแต่จิตมันไม่สบายพอกระทบมันเลยตกใจสังเกตนะสังเกตมว่าคนที่ไม่ตกใจจิตมันมันรู้ตัวอยู่ในการทำอะไรสักอย่างะแม้แต่ดื่มเข้าแทะสมานแต่มันก็มีเครื่องรู้ของมันนะมันก็เลยไม่ตื่นมันก็แต่ก็ไม่ใชะกิตนะบางทีเราก็ไม่ใช่ไปรูดไม่น่าตกใจไม่น่ากลัวใช่ไหม บางทีก็เผลอไปตกใจบ้างแต่อพอละกลับมารู้ทันใหม่กลับมารู้ทหม่คือไม่ได้ห่ามนะบางทีก็จะเห็นเนะ่เห็นในว่าโอ้โอถ้าจิตอนมีสติเนี่ยมันไม่ตกใจกับอาการต่ราตงๆแต่พอวางครั้งมันขาดสติซึ่งก็เป็นได้ทุกคนนะมันก็เผลอไปตกใจบ้างน ะ, ะซึ่งแบบเนี้นมาว่าอาการในธรรมชาติานี่ยทดสอบได้ดีเลยอ้อมเราควรจติกดการสตินานไหม ฟ้าร้องเนะี่ยตกใจไหมบางคนจะโ ด, ดบินผ่านเครื่องบินบินผ่านเสียดงดงัดงๆัโอ้เห็นไหมใครมีสติใครขาไไนนะดสติทุกแกวิ่งเข้ามายังไงนะบางคนมีสติแต่ยังกลอย่างดีทุกแนะกมาต้วิงหนีแต่ที่ยังต้องวิ่งของมันต่างหาก่อนีะยังเกตไหมแต่บางคนก็แพ้ทางคนละแบบไปนะ แกไม่กลัวกลัวหนูมันก็มีมสังเกตง่าย re, อย่างที่มาให้สัมผัสบางทีถ้าเราจิตใจเราสบายแปปกตินะเพื่อนมาสัมผัสเราก็ไม่ตกใจแต่ถ้าเมื่อไรเราใจลอยไปนะคนมาสัมผัสก็ต้อสงอสะดุ้งนะสะดุ้งแบบมันมีตกใจนิดนึงแต่มันก็กลับมารู้ตัวไดนะ้นะเห็นมาก บางทีเสียงดังๆแพร่ก็มาเปลี่ยนทิธรรมชาติเกิดขึ้นจิตใจหายไปแต่ไมไ่เราไม่ได้เกรงเจ้าท่านว่าต้องเก่งไว้ไม่ให้มันเลอไม่ให้มันหลงไม่ใช่ตกใจก็รู้ทันการตกใจไม่เป็นไรไม่ตกใจก็รู้ไม่เป็นไรสิ่งที่ถูกนะคือการรู้ตามความเป็นจริง ความเป็นจริงกนนันมันตกใจไปแล้วมันเกิดไปแล้วรู้ความเป็นจริงตรงนั้ น, นไม่ใช่เลยเสียดายที่มันผิดไปถ้าพลิกมือกยอมคลิกให้มีหยุดนิดหนึ่งคลิกแล้วก็หยุดแล้วก็ลิกหยุดนิดนึง ที่จะไปเดีนวมือองยกมือก็ได้นะยกผิดก็ไม่เป็นไรนะถ้าไหนก็ไม่เป็นไรจริเราเอายิ่งมากเอาแค่นะแต่มายกมือเดียวก็ได้นะยกเราจังหวะเคลื่อนจังหวะหยุดจังหวะเคลื่อนจังหวะหยุด ก็แบที่แม่ก็แบบย ดีเนะะตาตะไม่ต้อหลับก็ดีนะนม่ต้องหลับตาแต่การเปิดตามองจะมองต่างลงจะมองตรงๆหรือบางขาะมันง่วงมันงั้นใกใกใกมองไกลมองไปหาที่ตล่งๆที่สบายเหมอนกันไปได้นะถึงมองเพื่ออะไรนะในท้ายให้เป็นการสตกใจที่สบายนะ แต่ให้ใจที่สบายเนี่ยคอยรู้การเคลื่อนไหวมองไปทางไหนสบายแต่ไม่ให้ส่งจิตไปอยู่กับสิ่งที่มองเห็นนะนอกจากบางครั้งมันไปของมันเองเห็นรูอ๋อไปทงตาแล้วลองจับสังเกตการเคลื่อนไหวของกายแบบนี้นะ แต่เราก็จะเป็นสังเกตการเคลื่อนไหเวลานะในชีวิตรประจําวันนะเรายกมือตะกี้อย่างไรเป็นเรียว่าเป็นในรูปแบบเราเป็นหยิบอาหารจับช้อนยกช้อนเข้าปากเคี้ยวอาหารล้างมือแ ป, ป่งฟันลองดูนี่เป็นอนอกรูปแบบเป็นชีวิตจริงนะเป็นาการเคลื่อนไหวจริงเราสังเกตมีาการเคลื่อนไหวรูปทันเหมือนกันใชนะ่ไหม หมุนเสื้อนะปากเคี้ยววิ้นรันดรถรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างไรรู้ทันตืนเข้าไปบางครั้งก็รู้ถึงการเื่อนเห็นกระทั่งแม่กระหันมันผ่านลำคอไปสู่กระเพาะเป็นอย่างไรนะบางครั้งเรเห็นนะแต่บางครั้งไม่ได้ไว้เดี๋ยวต้องไปเห็นทุกครั้งนะมันจะเคร่ยนะ่ะบางคงรันะ้งมันรู้สึกแบบนั้นได้โคโดยเฉพาะอ่านคำแดกนะก็ตกถึงท้องมันจะรู้สึกชัดตกเ่อนเลยนะสังเกตไหม แต่เตือนหรือตื่นเช้ามันมีใหม่ทางน้ำเนี่ยน้ำไหลออกไปหลงท้องมันจะเห็นแต่ว่าตอนบางๆแล้วมันก็จะเห็นตอนที่มันอิ่มมันแน่นมากว่าออิ่มมันแน่นปืนใส่ไหมเนี่ยเราสังเกตนะเรารู้ทันอาการของกายมันบอกเ่็ไปิยอะไยมันก็ส่งผลถึงเราเพคุณจิตใจเราเราด้วยได้เหมือนกันนะเราสังเกตนะเราไปทานอาหารนะลองทานอาหารอย่างมีสตินะ เคี่ยวข้าวตากอาหารรู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้แบบไหนก็ได้ที่มันเด่นในตอนนั้นนะสังเกตนะไม่ใช่จะเพ่งจ้องอะไรอย่างเดียวนะอะไรที่มันเด่นในตอนนั้นก็รู้แบบนั้นสบายๆนะจิตใจจะเกิดความคลายแล้วก็เกิดความสนุกเป็นการที่จะรู้อาการหรือว่ารู้อารมณ์นะอารมณ์ ภาษาพัดคือเรียกว่าอารมณ์ประเภทอาการของการของใจเนี่ยเรียกเป็นอารอมณ์กรรมฐานนะรู้สบายๆลองดูลงไปเพลินบ้างลงไปคิดบ้างรู้ทันลงไปเพลินบ้างหลงไปคิดบ้างรู้ทันนะีน่เนี่ยการสังเกตมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของจีนนะในชีวิตประจำวันของจีนทานข้าวสามมื้อถ้าเรามีสตินในการทานข้าวได้เนี่ยนี่แหละเวลาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่ต้องไปรอ หลัตทําที่เข้าวัดที่ไหนพักเที่ยงนะอไปทานข้าวนะอาจจะเลือกหน่อยเลือกเพื่อนที่มีส่วนคุยมากนะมันก็เป็นหรือวคุยกันก็คุยในเรื่องมีสาระเรื่องกับมานะ้าเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะ ต, ต้องเงียบตลอดก็อ จ, จะไม่ใช่คุยกันก็ให้มีสติใการคุยคุยเรื่องเป็นสาระพอ จิต ใ, ใจฟุ้งซ่านไปเรื่อยเรืเป็นสาระหรือเรื่องนอกตัวไปมากแล้วรู้นะรทกกันนะรู้ทันไว้นะไอ้ที่เป็นจังหวะอับปฝุ่นแบนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธหรือหนีหรอกนะสัมพันธ์กับคนอื่นก็รู้ว่าอ๋อมันคําพูดวาจาของเราตอนนี้มันเผลอไปฟุ้งสร้างเผลอไปตออเสียเผลอไปเฟอเจอร์หรือเปล่านะมันก็เห็นเนะี่ยมันจะการถึงสัมมาวาจาได้นะจากการที่มีสติรู้ทันคําพูดของเรานะ จิตใจได้เป็นปกติได้นะที่กามฝึกในชีวิตจริงนะลองดูนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนบ่ายโมงนะพวกเราการพักันอารหังตัมหาตัมพุทโตภ้าพาวานภูตานข้าพาวานตานิวาส สวชาโสพะสวัสดโมธรรมนันสันสุตัสย์ปโหวพะสวัสดิ์โสพะสัมธม